สัมผัสสยองพรานป่าผีป่าบางไพรสวัสดีครับแอดมินและแฟนสัมผัสสยองทุกทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องจากประสบการณ์ปู่และพ่อของผมมาเล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดขึ้นบริเวณป่าของสีสัชนาลาั จังหวัดสุขโขทยัยเมื่อประมาณ 50-60 ปีก่อนปู่ผมปัจจุบันก็อายุ72ปีแล้วแต่ท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่เพราะเคยเป็นนักมวยเก่าและเป็นพรานป่าแถวอำเภอศรสีสัชนาลัยนั่นแหละครับสมัยนั้นศรีสัชนาลายัยยังคงเป็นป่าทถบมีช้างเสือและสัตว์ต่างๆออกหากินตอนกลางคืนมากมาย ทั้งยังมีเรื่องราวอาถรรพ์ของผีป่าและเสือสมิงที่ทำให้พรานป่ามักจะยิงถูกกันเองตายอยู่บ่อยๆกลายเป็นผีเฝ้าป่าเพิ่มความน่ากลัวให้กับป่านี้เข้าไปอีกในช่วงตอนกลางวันของวันหนึ่งปูผมออกไปล่าสัตว์กับลุงซึ่งลุงก็คือลูกของปูนั่นแหละครับตอนนั้นลุงมีอายุเพียง 13-14 ปีเท่านั้นเอง ในขณะที่ก right. ําลังออกล่าสัตว์กันอยู่นั้นลุงผมก็เห็นกวางตัวหนึ่งจึงค่อยๆยกปืนขึ้นมาเล็งไปที่หัวของกวางตัวนั้นจากนั้นก็ลั่นไกปืนเสียงดังสนั่นกวางตัวนั้นล้มลงกับพื้นลุงจึงรีบวิ่งเข้าไปดูพร้อมกับตะโกนบอกปู่ว่าพ่อผมยิงกวางได้ตัวหนึ่งแต่พอลุงวิ่งไป ถึงจุดที่กวางล้มลงนั้นกลับเห็นปู่นอนแน่นิ่งมีเลือดไหลออกมาเหมือนกับแผลที่โดนแกะเมื่อลุงเห็นดังนั้นก็ช็อกมากคิดว่าปู่ตายแล้วเลยร้องไห้แล้ววิ่งไปหาปู่แหวงเพื่อนของพ่อที่อยุยงเขาหนึ่งพอไปถึงลุงก็บอกกับปู่แหวงว่าพลาดยิงพ่อของตัวเองตายปู่แหวงตกใจมาก เลยให้ลุงรีบพาไปดูพอไปถึงก็เห็นปู่ยังนอนอยู่ที่เดิมในท่าเดิมจึงตรวจดูว่าปู่ตายจริงไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะปู่ยังหายใจอยู่เหมือนกับคนปกติที่หลับไปปู่แหวงเลยทำเปรแล้วช่วยกันกับลุงหามปู่กลับมาที่หมู่บ้านใกล้ๆก่อนจากนั้นก็ให้คนในหมู่บ้านนั้น นำปู่ใส่เกวียนลากไปส่งยังอำเภอสวรรคโลกซึ่งใช้เวลาถึงครึ่งวันเลยทีเดียวพอกลับมาถึงบ้านเมื่อย่าเห็นปู่นอนในเกวียนและรู้ว่าถูกยิงที่หัวก็คิดว่าปู่คงตายแน่ๆ แ, แล้วจึงร้องไห้โวยวา ย, วายในตอนนั้นย่าก็กำลังตั้งท้องพ่อของผมอยู่ด้วยเมื่อทุกคนเข้าไปดูอาการของปู่ก็เห็นว่าแผลนั้น มันเหมือนกับแค่เป็นรอยช้ำๆมีเลือดไหลออกมาสิบสิบเพียงน้อยนิดเท่านั้นทุกคนจึงช่วยกันนำปู่ขึ้นบ้านเพื่อรักษาและดูอาการปู่ผมหลับไปเกือบสองวันเต็มพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับคนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอผมได้ฟังสิ่งที่ปู่เล่ามาถึงตรงนี้ก็สงสัยว่าในเมื่อปู่ถูกยิงที่หัว แต่ทำไมกลับไม่เป็นอะไรเลยปู่จึงบอกผมว่าสมัยนั้นท่านเคยบวชเรียนมาก็พอมีวิชาอยู่บางแล้วท่านก็เปิดให้ดูรอยสักของท่านรอยสักนั้นมันเป็นยันมหาอุดและตกรุดจึงทําให้ท่านไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นปู่ผมก็ยังไปล่าสัตว์เหมือนเดิมตามปกติถ้าถามว่า ผมเชื่อเรื่องที่ปู่เล่าไหมผมบอกเลยกรับว่าไม่ค่อยเชื่อแต่ผมก็ไม่ลบหลู่นะครับเพราะสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันเทคโนโลยีทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่องราวความเชื่อและอาถรรพ์ต่างๆมันค่อยๆเลือนหายไปแต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะยังคงหลงเหลืออยู่ในป่าลึกที่น้อยคนนัก จะได้มีโอกาสได้ไปพบเจอนางตะเคียนเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ตนอ้อยยังคงเป็นเด็กอายุประมาณสิเ็ดขวบวันหนึ่งพวกเราทั้งเจ็ดคนมีนิวกอ้อยายเจและฝาแฝดชื่อว่าแอมกับออม อยากจะเล่นซ่อนหากันถึงแม้จะเป็นเวลาพบข้ามแล้วแต่ก็ยังอยากจะเล่นพวกเราไปที่บริเวณต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมารู้ทีหลังว่ามันเป็นต้นตะเคียนหลังจากที่โอน้อยออกกันแล้วออมก็ได้เป็นคนหาส่วนคนที่เหลือก็พากันไปซ่อนออมก็วิ่งหาไปเรื่อยๆจนเจอครบหมดทุกคนยกเว้นเพียงแต่เจ เพราะเจมันนึกยังไงไม่รู้ไปซ่อนที่หลังต้นตะเคียนพวกเราทุกคนจึงช่วยกันหาแต่ก็หาไม่เจอหากันอยู่นานมากแล้วแอมมันก็พูดขึ้นมาว่าสงสัยมันคงกลับมาไม่ได้แล้วมึงเนี่ยเมื่ออายได้ยินก็ด่าแอมไปว่าไอ้บ้ามึงพูดแบบนั้นได้ยังไงวะมันไม่ดีนะว้ยพวกเราพยายามหาเจกันต่อ จนเวลาล่วงไปสองทุ่มกว่าแล้วเรานิวและก้อยจึงอาสาไปบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งตอนนั้นมีพ่อแม่พี่ชายและปู่ของเจกําลังตามหาเจอยู่พอดีเมื่อผู้ใหญ่ได้รับรู้เรื่องราวจากพวกเราจึงไปบอกคนในหมู่บ้านให้ช่วยกันออกตามหาตามหากันหลายทีจนไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่ง แต่ก็ยังหาไม่เจอจึงกลับมาตั้งหลักนั่งคิดกันใหม่ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ภาวนาขอให้เจกลับมาจากนั้นพ่อกับปู่ของเจก็ไปแจ้งความกับตํารวจส่วนคนที่เหลือก็ยังพยายามหากันต่อจนดึกก็ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านพรุ่งนี้ค่อยหากันใหม่เช้าวันต่อมา ญาติญาติของเจที่อยู่ต่างบ้านก็มาถึงเพราะได้ข่าวว่าเจหายตัวไปแต่เช้าแล้วก็ยังหาไม่เจอจึงพากันไปวัดพอมาถึงวัดพอเจก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้หลวงตาฟังหลวงตานั่งนิง่งหลับตาไปสักพักแล้วก็ลืมตาขึ้นบอกว่าอาตอมาเห็นว่าโยมเจไปกับผีร้ายผีร้ายตัวนี้เป็นผู้หญิง อยู่ที่ต้นตะเคียนเพราะเจลูกของโยมมันไปเล่นหลังต้นตะเคียนแล้วไปเยียบของเส้นไหวที่หยุดตรงนั้นทำให้ผีตนนั้นโกรธแค้นน้องเจจึงถูกทำให้หมดสติแล้วถูกนำวิญญาณไปทั้งยังถูกบังตาอีกด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นครอบครัวของเจจึงให้หลวงตาทำพิธีช่วยเหลือส่วนที่เหลือก็ตามหาเจกันอีกครั้ง เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็มีคนพบเจนอนหมดสติอยู่ทุกคนดีใจมากที่พบเจแล้วจึงพาไปส่งโรงพยาบาลหลังจากที่เจพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่พักหนึ่งแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วเจจึงได้มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนที่ซ่อนแอบอยู่นั้นมันไปติดของเซนไวที่อยู่บริเวณนั้น พอมองดูก็เห็นของเส้นไว้เละกระจัดกระจ่ายกองอยู่ที่พื้นเท้าของเจยังเหยียบชุดนางรำที่อยู่ตรงนั้นจนขาดอีกแต่เจก็ไม่ได้สนใจอะไรซ่อนแอบต่อไปท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆสักพักก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยและได้ยินเสียงคนพูดว่านางเด็กโสโคร ไปหองเส้นไหวกูแล้วยังทำชุดกูขาดอีกมึงต้องไปอยู่กับกูเจตกใจมากจนกรีดร้องออกมาเสียงดังพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ขาก็ขยับไม่ได้แล้วผีตนนั้นก็โผล่ออกมาจากหลังต้นตะเคียนบีบคอจนเจหายใจไม่ออกแล้วหมดสติไปแล้วก็มารู้สึกตัวที่โรงพยาบาลนี่แหละ หลังจากนั้นพอเจอาการดีขึ้นแม่ของเจจึงพามาขอขมานางตะเคียนแล้วนำของเซนไวและชุดไทยชุดใหม่มาถวายด้วยแล้วเหตุการณ์ร้ายๆก็ไม่เกิดขึ้นอีหลังจากวันนั้นพวกเราก็ไม่กลา้าที่จะไปเล่นใกล้กับต้นตะเคียนต้นนั้นอีกเลยขึ้นสยอง ตกปราเจอผีสวัสดีครับผมชื่อเสืออายุ38ปีเป็นแฟนของน้ำพวกเราเจอกันเมื่อสามปีก่อนสมัยที่อยู่อำเภอพระพราชัยจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่น้ำคลอดลูกใหม่ๆวันหนึ่งน้ำบอกกับผมว่าอยากกินต้มปลามา เหมือนจะบอกกับผมเป็นนๆว่าให้ผมหาปลามาให้กินหน่อยแน่นอนล่ะครับว่าเย็นนี้ผมจะต้องเตรียมตัวไปตกปลาเพื่อที่จะนำมาให้น้ำกินวันนั้นช่วงสี่โมงเย็นก่อนที่จะไปตกปลาก็ต้องขุดไส้เดือนมาเป็นเหยื่อเสียก่อนหลังจะกินข้าวกันเสร็จแล้วเวลาหโมงเย็นผมก็เดินทางเพื่อไปยังจุดหมายพอไปถึงคันนาแห่งหนึ่ง ตอนนั้นก็เป็นเวลาเกือบๆหนึ่งทุ่มแล้วบรรยากาศของที่นั่นมืดและเงียบสงบได้ยินแค่เสียงปลากระโดดซึ่งมันเป็นปกติของบ้านนอกบ้านนาอย่างนี้พอได้ยินเสียงปลากระโดดผมจึงคิดในใจว่ามันแน่เลยวันนี้ปลาเยอะเลยมีแต่เสียงปลากระโดดน้ำแถมตรงนี้ยังไม่มีใครมาใส่เบ็ดเลยด้วย ถึงแม้มันจะแปลกๆเพราะโดยปกติแล้วถ้าปลาชุกชุมอย่างนี้คนมักจะมาใส่เบ็ดกันเยอะแต่นี่กลับไม่มีเบ็ดของใครอยู่เลยผมไม่ได้สนใจคิดว่าดีเหมือนกันจะได้ไม่มีใครมาแย่งจึงหยิบเบ็ดกล่องซึ่งมีลักษณะเป็นเบ็ดไม้คันเล็กๆยาวประมาณหนึ่งคืบนำไปปักตามคันนาปักเรียงไปเรื่อย กว่าจะปักเสร็จตอนนั้นก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วจูๆ่ๆเสียงปลาที่กระโดดก็ค่อยๆเงียบลงอากาศเริ่มเย็ยนลงอย่างผิดปกติไม่มีลมแต่รู้สึกหนาวมันทั้งมืดทั้งเงียบแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเดินดูเบ็ดแล้วเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆพอเดินมาถึงเบ็ดที่ปักไว้ติดกับตรงจอมปลวกผมจําได้ว่า ตรงนี้ก็ปักเบ็ดไว้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันหายไปผมแปลกใจมาจึงส่องไฟเพื่อหาเบ็ดแต่ยังไม่ทันที่จะได้หาไฟฉายก็ไปส่องเห็นชายชราคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่บนคันนาห่างไปประมาณ20เมตรได้เขามีรูปร่างผอมผิวดำหนังแห้งติดกระดูตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยเอ่ยปากถามไปว่านั่นใครอะ แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจากชายชราผู้นั้นด้วยความสงสัยผมจึงเดินเข้าไปหาเพราะคิดว่าคงเป็นคนที่มาปักเบ็ดเหมือนกันแต่ในขณะที่เดินเข้าไปนั้นผมก้าวขาไปได้เพียงแค่ห้าก้าวชายชราคนนั้นก็กระโดดลงน้ำหายไปผมยืนมองด้วยความแปลกใจ น้ำลึกเพียงแค่หัวเข่าเท่านั้นแต่ทำไมดูเหมือนกับว่าชายชารานั้นจะจมหายไปเลยผมจึงเรียบเดินเข้าไปแล้วเอาไฟฉายส่องดูในน้ำผมส่องไปบริเวณโดยรอบที่ชายชาราคนนั้นโดดลงไปแต่ก็ไม่เจอจึงส่องไฟมองหาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกับดวงตาคู่หนึ่งมันใหญ่โตแทบจะเหมือนกับลูกส้มโอ ดวงตาคู่นั้นกำลังจ้องมองมาที่ผมอยู่ผมตกใจมากจนอุฐานร้องออกมาแต่ด้วยความที่ผมไม่ใครกลัวอะไรเท่าไหร่เพราะปากเบ็ดแบบนี้เป็นประจำจึงพูดเพียงแต่ว่าคนเขาจะทำมาหากินยังจะมาหลอกกันอีกแล้วก็เดินกลับไปนั่งพกักเพื่อรอดูเบ็ดอีกรอบเวลาประมาณห้าทุม หลังจากดูเบ็ดรอบสุดท้ายผมก็เก็บของเพื่อที่จะกลับบ้านโดยปล่อยเบ็ดทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ในตอนเช้าหลังจากขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรสายตาของผมก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดผ้าแพรสีชมพูอ่อนยืนโบกมืออยู่ริมถนนในใจตอนนั้นผมคิดว่าผู้หญิงที่ไหน จะมายืนโบกมือกลางค่ากลางคืนอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้จอดรับเพราะรู้สึกว่ามันแปลกๆพอขี่ไปได้อีกห้เมตรก็เจอผู้หญิงที่มีรูปร่างลักษณะและใส่ชุดเหมือนกับผู้หญิงคนเมื่อกี้ยืนโบกมืออีกแต่คราวนี้มันแตกต่างตรงที่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีหัวผมตกใจมากมือบีบเบรกจอดรถอย่างกระทันหัน เพราะไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองที่เห็นอย่างนั้นคิดว่าคงตาฝาดไปจึงหยิบไฟฉายที่อยู่ในกระเป๋าออกมาส่องดูให้แน่ใจแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้หายไปแล้วโอ้ยน้ออะไรกันนักหนาเนี่ยจากนั้นผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ต่อจนกลับมาถึงบ้านพอรุ่งเชา้าผมก็กลับไปเก็บเบ็ดที่ปักไว้เมื่อคืน หลังจะเก็บเสร็จแล้วก็กลับจากนั้นก็แวะไปหาตาเพื่อถามว่าที่นาตรงที่ผมไปปักเป็ดนั้นเป็นของใครตามองหน้าผมแล้วยิม้มแกเงียบไปสักพักแล้วก็บอกว่าโดนมาละสิที่นาตรงนั้นเป็นที่ดินของตาตุย๋ยตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แกเป็นคนห่วงที่นาของแกมาก เวลาใครไปหาอะไรในที่นาคมงแกก็จะโดนแกไล่กลับออกมาทุกครั้งผมจึงได้รู้ว่าที่ไม่มีใครไปปักเบ็ดตรงนั้นเพราะคงโดนผีตาตุยเล่นงานนี่เองส่วนผีผู้หญิงคนนั้นผมก็ไม่รู้ประวัติเหมือนกันว่าเธอเป็นใครอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญที่ผมถูกผีหลอกถึงสองครั้งในคืนเดียวและต่างสถานที่กัน ครั้งต่อไปถ้าผมจะไปปักเบ็ดที่ไหนอีกคงต้องเช็คดูให้ดีก่อนแล้ว่าที่นั่นเจ้าของเก่าหวงหรือเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า พัดสยอง